จเจริญพรทุกท่านอาหารอร่อยไหมพวกพี่ๆที่เขาจัดที่นี่นะ น, นิมนต์ไปดูเขาขยายกิจการหลกทานไม่นิมนต์ไปฉันหรอกนะนิมนต์ไปเดินดูดูพวกเรามีความสุขเชียวกันตุยตุย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 ของคนจำนวนมากที่เขาเสียสละเขาไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้เงินได้ทองอะไรตอบแทนสักอย่างเดียวคนตั้งโรภทานทเขาก็ไม่ได้อะไรมุ่งเอาบุญมุ่งให้พวกเรามีแรงที่จะได้ศึกษาปฏิบัติธรรมงินพอเราได้รับความอนุเคราะห์แล้วเราก็ได้ใช้ประโยชน์นะล้วก็ ส, สร้างคุณงามความดีขึ้นมาตั้งใจฟังธรร ม, ม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 สิ่งแวดล้อมรูปบางอย่างเกิดจากจิต่รูปที่เกิดจากจิตนเนี่ยลองพยักหน้าสิเนี่ยรูปที่เคลื่อนไหวเนี่ยจิตเป็นคนสั่งจิตเป็นคนสั่งให้รูปอย่างนี้เกิดขึ้นจิตเป็นคนสั่งให้ยืนให้เดินให้นั่งให้นอนจิตเป็นคนสั่งเวลาเรามีความสุขหน้าตาเรายิ้มแย้มขึ้นมาหน้าเราเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะจิตมันสั่งจิตมันมีความสุขเวลาจิตเรากโกรธหน้าเราหงิก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 ผัสสะเกิดขึ้นก็เกิดแป๊บเดียวมีความรู้สึกเกิดขึ้นก็อยู่ชั่วคราวนะมีอะไรๆก็อยู่ชั่วคราวเนี่ยพอเราเห็นพวกเราเห็นไหมโดยเฉพาะพวกที่ชํานาญการดูจิตดูใจนะ่เราจะเห็นเลยว่าพอมีผัสสะจิตก็เปลี่ยนใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทอมมารลมจิตก็เปลี่ยนเห็นไหมตัวนี้เห็นไหมถ้าเห็นขึ้นรถคันที่สี่แล้วลอยละเห็นไหมมีเจ็ดันเองอย่างเจ็ดนี้นะเจ็เนี่ยถึงมรรคผลนิพพานนะเนี่ย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 หรือบางทีเกิดความรู้สึกเพียเพ้ยนๆไปเลยนะว่ากูเป็นพระอราหันต์ไปแล้วหรือบางทีสติเข้มข้นมากเลยนะมองดินฟ้าอากาศเนหะ็นเป็นจุดๆไปหมดเลยนะมันแยกแยะได้แล้เหียดยิบไปหมดเล ย, ย, ปป เ, ลยเห็นคนนีแยกออกมาเลยนี่กำลังที่สติที่กล้าแข็งเกินไปผิดธรรมดานะวิปัสสนุปกิเลสสิบประการนะบางทีมีปัญญามากไปธรรมะถ่ายทอด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 วิป <laughs> ัสสนูสิบอย่างก็จริงนะแต่ถ้าจิตถึงฐานแล้วก็สิบอย่างก็สิบอย่างเหอะหายหมดเลยพระอนนเนี่ยท่านเรียกคนไทยเรียกพระอนนทนะถ้าบาลีจริงๆเรียกพระอนันต์ อ, อนันทะพระอนนท่านบอกว่าถ้าเรียกวิปัสสนูนะว่าธรมมุตัต จ, จักความฟุ้งซ่านในธรรมสิบประการ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 ในรดการที่7เนี่ยนะมีถึงพระสกทาคาพระอนาคาาพระรหันพระสกทาคาเห็นเหมือนพระโสดาแหะแต่ว่าละกิเลส ช, ช่วยหยับหยับพวกแรงๆเนี่ยขาดไปขาดไปนะเละต่กิเลสบางๆเบาบๆกิเลสไม่รุนแรงอย่างโทสะมีแต่มีเบาๆไม่แรงราคะก็มีแต่ไม่แรงนะมีแผ่วๆแค่รู้ก็ขาดแค่รู้ก็ขาดจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเผลอนะนก็ครอบเอาเหมือนกันนะ พระสักคาคาก็าถูกโทสะครอบได้นะงั้นอย่างเราเห็นพระแล้วไปด่าท่านแล้วท่านกโกรธเนี่ยเราจะไปบอกว่าท่านเป็นพระเลวไม่ได้นะต้องบอกว่าท่านยังไม่ใช่พระอนาคาต้องว่าอย่างนี้นะแท่านอาจจะเป็นปุถุชนเป็นอรัตชีเป็นอะไรจนถึงสักคาคาก็ไดนะ้ไม่แน่หรือบางคนเราไปด่าๆเนะี่ยิ้มหวานเลยโอ้ยองค์นี้ไม่โกรธความจริงเขากโกรธข้างในเราไม่เห็นพวกองค์นี้พระอาหารหันต์ อย่ามั่วนะพวกเราชอบตั้งพระนะชอบสถาปนาองค์นี้พระองค์นะ้ชั้นนั้นชั้นนี้ถามจริงใครเคยทำบ้างมีไหมยกมือให้ดูสิเลิกซะนะนิสัยเสียเอาอะไรไปตั้งเราไม่รู้หรอกนะเราไม่รู้หรอกเนี่ยปัญญานะจะแก่กล้าขึ้นถ้าเมื่อไรเห็นว่ากายไม่ใช่เราจิตก็คืนกายให้โลกก็ได้ภูมิธรรมชั้นที่สาม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 ตัวนี้มันเป็นรถชันที่เจนะ็ดพ้นจากรถชันที่เจ็ดนี้หมดธุระแล้วสบายแล้วก็นะสัมผัสท่านิพานไปพวกเราตอนเนี้ส่วนมากเลยนะอยู่รถชันที่ห้าที่หแล้วนะเหลืออีกคันเดียวอย่าตกรถซะก่อนกันรถกัน <c oughs> ตกรถมีไหมมีนะท้อแท้เลิกปฏิบัติไปนะหรือขี้เกียจ ใครยังขี้เกียจอยู่มีไห้ยกมือให้ชื่นใจซิชื่นใจจริงๆนะเพราะลูกศิษย์รู้ว่ายังชั่วอยู่ออยังขี้เกียจอยู่ใครเบื่อบ้างภาวนาแล้วเบื่อเบื่อมีไหมขี้เกียจก็ได้เบื่อก็ได้แล้วใครท้อแท้เออท้อแท้ก็ได้นะไม่ห้ามหรอกขี้เกียจเบื่อท้อแท้ก็ได้แต่อย่าให้มันครอบจิตขี้เกียจรู้ทันเบื่อรู้ทันท้อแท้รู้ทั น, อ, ท น, ท อ, ทททนอย่าให้มันครอบใจเราได้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 ผู้ชายกับผู้หญิงขี้บ่นพอๆกันนะเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดของหลวงพ่อนะเนื่องว่าผู้หญิงขี้บน่นที่แท้ผู้ชายก็ขี้บน่นที่ยกมือเนี่ยสูสีกันขี้บน่นทําไมขี้บน่นก็เพราะมันเคยชินที่จะบน่นเพ้นถ้าเราปล่อยให้มันเคยชินฝ่ายชั่วไปเรื่อยนะยิ่งแก่ยิ่งร้ายยิ่งแก่มันจะบ่นทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะจนกระทั่งไม่มีใครเข้าหน้าเลย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 ชาตินี้ได้ก็ดีที่สุดไม่ได้ก็ไม่เสียใจเวลาจะตายหลวงปู่ดูลถ้าเรียกตกกระดปล่อยโจรเวลาจะตายดูกายเป็นตายใจเราอยู่ต่างหากนะใจอย่าไปเศร้าหมองตามร่างกายมันตายเราไม่เกี่ยวอาจจะได้มกักได้ผลนะได้บ้างสมัยพุทธกาลมีได้อรหันนะของเราได้โสดากกบุญแล้ว <c oughs> ถ้าไม่ได้จริงชาติต่อไปทําง่าย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 ก็อยากเป็นคนดีนะถ้าเจอเขาก็ขอบใจเขาหน่อยอนุโมทนากับเขาหน่อยคนที่ช่วยงานอย่างพว ก, กรจราจรนะไม่ได้ฟังธรรมนะเดินท่อมๆ อ, อยู่ข้างถนนน่าสงสารเสียสละนะี่คนที่เสียสละเพื่อให้เราได้ฟังธรรมะนี่มีเยอะเลยผู้ที่เสียสละท่านแรกคือพุทธเจ้านะสืบทอดกันลงมาจนถึงวันนี้แหละหนะพ่อคนเดียวทาไม่ได้พวกเรามาเยอะ ไม่มีปัญญาก็ต้องมีคนมาช่วยเยอะแยะเลยซนะีดีหรือเว็บไซต์ต่างๆโลงพ่อเขาไม่ได้ทำทำไม่เป็นนะคนเขาทำเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรลาบากมากเลยในการทำงานนะสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อเขาทำเพื่อแทนคุณพระพุทธเจ้านะพวกเราก็ภาวนานะแทนคุณผู้มีอุ ป, ปาการะคุณของเราด้วยนะเรียกบุ ป, ปาการีนะคนที่ส่งคราะห์เราก่อน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 ใจเราก็ไม่เหมือนเดิมรู้สึกไหมรู้สึกครับรู้สึกไหมมันเหมือนว่าใจเรามันอยู่กับเนื้อกับตัวใช่ครับใช่นั่นแหละคือภาวะแห่งความตั้งมั่นนี่ภาวะแห่งความตั้งมั่นมีสองอันอันหนึ่งตั้งมั่นที่ถูกใจก็รู้ตื่นเบิกบานแต่ถ้าจงใจตั้งจะแข็งของคุณตั้งได้ดีแล้วละ่ะเมื่อใจตั้งมั่นแล้วเห็นไหมว่ารูปนามมันแยกได้เห็นเป็นบางบางถูกต้องไม่เห็นตลอดหลเห็นเป็นคราว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 ให้รู้ทันเนะี่ยรู้สึกไหมเมื่เข้ามาแล้วก็เด้งเข้ามาแล้วก็เด้งเนี่ยเคลื่อนออกแล้วเนี่ยเคลื่อนแล้วใช่ไหยให้รู้เอานะต้องให้ให้มันแยกแยกขันใช่ไหมครับฮะต้องให้แยกให้แยกขันไม่ไม่ไม่ไม่จำเป็นหรอกนะมันแยกเป็นคราวลไม่แยกตลอดเวลาหรอกแต่แยกขันนะ่ะที่หลวงพ่อบอกมันมีจิตที่ถูกกับจิตที่ผิด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 งงเจะทำไงดีรู้ว่างงงงงก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับราคาโทรศาอะไรต่างๆนั่นแหละแล้ดูเข้าไปแต่ตอนทาในรูปแบบนั่งสมาธิเดี๋ยวนี้ได้แค่15นาทีเองเออสิบห้านาทีก็ดีแล้ ว, วจะสวดมนต์แค่เป็นส่วนใหญ่เอาได้ชอบสวนมนต์สวดไปสวดมนต์แล้วใจสบายรู้ว่าสบายะนะสวดมนต์แล้วมีความสุขรู้มีความสุข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 เ, ออเวลาบางคนเข้าใกล้หลวงพ่อก็ร้อนเลยนะเ อ, อ้เอาเรื่องจริงนะถ้าสมาธิเป็นอ่ะเพราะพลังของพระเนี่ยร้อนนะเป็นพลังฝ่ายบวกร้อนแดงออถ้าภาวนาแล้วก็หนาวเยือกเข้ามา น, นี่พลังมานมาแล้วแล้วตอนนี้หลวงพ่อยิ่งภาวนามาเรื่อยจิตอ่ะก็จะคิดว่าการมีลูกและสามี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 คือช่วงหลังภาวนาแล้วรู้สึกว่าตัวเองดราม่าน้อยลงค่ะแล้วก็วเวิ้เว้อน้อยลง อ, อแล้วก็เหมือนกับเราไม่มีอะไรจะพูดอะค่ะออมันหลุดทางมครัรู้ซื่อๆรู้ซื่อๆนะอย่างเนี้ยเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นใจเคลื่อนไหวแต่เราไม่ไปประคองจิตให้นิ่งๆน ะ, ะเห็นตอนนี้ตื่นเต้นก็เลยไปประคองใช่ไหมใช้จิตธรรมดานี่แหละเห็นกายเป็นทางานเห็นจิตทํางานไม่ม า, ญญานยะารู้ซื่อๆอดี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 จิตรู้สึกว่าจิตจะรวมเร็วแล้วก็สามารถนั่งสมาธิต่อได้นานอยากจะขอหลวงพ่อ<ด>ช่วยนะชีย้แนะนะคะเราถนัดแบบนี้เราก็ทําแบบนี้แหละนะแต่ว่าพอจิตเราสงบสบายแล้วนะออกจากสมาธิมาเนี่ยเราเห็นร่างกายกระใจเ น, นีเยยจจ่ยเป็นคนล่าันดูเลยร่างกายแต่จิตใจเป็นคนล่านร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูแล้วถ้าหากมันเห็น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 เห็นความรู้สึกมันเปลี่ยนความรู้สึกมันเปลี่ยนบ้างไหมแต่ละวันเปลี Deep, ่ยนค่ะถ้าความรู้สึกยังเปลี่ยนอยู่ใช้ได้นะถ้าความรู้สึกคงที่สบายตลอดเลยเนี้ยติดสมาธิบางวันก็รู้สึกว่าเหมือนกับจิตเราจะนิ่งนิงทั้งวันอันนี้ที่ไม่มาดูกายเลยเห็นร่างกายมันทํางานบ้านกวาดบ้านถูบ้านเห็นร่างกายเดินไปเดินมานะแต่ถ้าจิตมันเคลื่อนไหวได้ก็ดูความเคลื่อนไหวของจิตไป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 นมาสการธรรมชาตินะนำมัสการหลวงพ่อผมส่งล่าสุดนี้ส่งเมื่อปีที่แล้วครับแล้วก็คือเวลาปฏิบัติสมถะหรือว่าวิปัสสนานี่คือจะบางทีนึกนึกพุทโทได้ก็พูทโทบางทีนึกอิติปิโสได้ก็อิติปิโสบางทีนึกเมตานังอนันหังก็ก็เอานั่น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 อย่ไปจงใจมากก็แล้วกันนะต้องให้เป็นธรรมชาติถ้าจงใจแบบจะต้องรู้สึกรู้สึกรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยนะจะมากไปจนะตึงไปแล้วแล้วคือผมมีภรรยาแล้วครับไม่ไม่รู้ว่าการปฏิบัติมันเป็นใบรุ่นนี่มันจะทํายังไงเอยากับชีวิตให้มันจะดีขึ้นอะไรนะปฏิบัติอะไรนะกา ร, การปฏิบัติอยู่ในอยู่ในคารวาสนะครับเอถ้าเรามีภรรยาแล้วเนี่ย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 อยากจะมาสอบถามหลวงพ่อว่าทำถูกแล้วสังเกตไหมขันมันแยกได้ครับแยกขันเป็นแล้วแล้วขันมันแยกแล้วเห็นไหมขันมันทํางานได้เองคนั่นแหละเราเดินปัญญาอยู่นะครับแล้ววันใดที่ขันไปรวมเราก็ไม่ว่าแล้วก็พอนานังเราไปเดี๋ยวก็แยกใหม่ทําถูกแล้วขอบคุณครับการรัมวาสการหลวงพ่อครับ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 วันนี้ก็อยากจะสอบถามว่าที่ผมทาอยู่นี่มีอะไรที่ต้องแก้ไขไหมครับสังเกตไหมว่าเราไม่เหมือนเดิมโอเคครับต่นนี้ขันมันแยกเป็นเราเดินปัญญาได้นะครับทำไปทําถูกแล้วละครับแล้วถ้าทําถูกแล้วเราจะพบว่าการปฏิบัตินั้นเป็นอันเดียวรวดเลยนะไม่มีแยกส่วนหรอกรนะจะหัดใหม่ๆก็ยังแยกอยู่สุดท้ายแยกไม่ออกหรอกรเป็นอันเดียวรวดเลย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 เวลาจิตรวมลงจริงๆคำบริกรรมจะหายไปครับก็พยายามทำต่อเนื่องนะครั บ, ร บ, รบขอบพระคุณครับดีแล้วนะนะเปลี่ยนไปเยอะเลยนัวัสการหลวงพ่อค่ะมาครั้งแรกก็เพิ่งฟังซีดีหลวงพ่อแค่สามสี่เดือนอก็ยังไม่ ยังไม่ได้มีอะไรมาถามเต๋ก็อยากจะได้แนวทางการปฏิบัติแต่ก็ปฏิบัติมาก็เห็นไหมว่ากิเลสมาได้เรื่อยๆดูกิเลสออกไหม<ะ>ถ้าดูกิเลสได้นะก็ภาวนาเป็นแล้วละ่ะเห็นไหมกิเลสมาได้เองนะไม่ได้เชิญเลยมาแล้วมาแล้วไล่ลลก็ไม่ไปทั้งทีเน่เฝ้าดูนะเห็นเขามาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปแต่ไม่ได้อยู่ในอำนาจ บ, บังคับอย่างนี้เราเรียกว่าภ<ะ>าวนา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 ที่จะปฏิบัติมานี่ถูกต้องแล้วใช่มครัถูกขานห็นกิเลสมากิเลสไปถูกแม่ตอนขันก็แยกแไหมคะขันก็แยกแล้วใช่ไหมคะขันขันแยกเราดูออกไหมล่ะก็แยกสิทั้งนั้น่ะก็ดูออกแล้วมาสงสัยอะไรคถูกแล้วรู้สึกไหมหน้าเราไม่เหมือนเดิมรู้สึกนั่นแหละบอกแล้วว่าพอขันแยกนะหน้าตาไม่เหมือนมนุษย์หรอกคช่ค่ะ บางคนเรีว่าหลวงพ่อมีปฏิหารปฏิหารอะไรใครๆเขาก็ดูเป็นหน้าตาแต่เดิมเหมือนปลาตีนแ <c oughs> ต่อมาหน้าตาแลผ่องใสเป็นเทพบุตรุเทพทิดามันจะต่างกันตั้งเยอะดูง่ายจะตายไปเนาะเราชอบปีติอะค่ะฟังเทศฟังอะไรก็ของพ่อของหลวงพ่อก็จะชอบปีติน้ำตาไหลตลอดเออเย<ช>ะดีแต่ว่าอยากให้ปิติครอบใจได้ปิติมาก็รู้ทันนะมันก็ขาดออกไปมีบางคนนะ ปีติฟังทีไรปีติน้ำตาไหลละทดละทวยอยู่อุ้ยเห็นแล้วเป็นบางครั้งแต่ก็จะ<ม>ตามร<ว>ู้ค่ะต้องไม่ให้มันครอบใจได้ค่ะขอบคุณค่ะนักวทศการค่ะหลวงพ่อภาวนาะต่อเ น, นื่องทุกวันมาประมาณสองปียังไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อสองปีแล้วอะคะ่ะก็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 ยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนตีสาคารังเอวามวะอิโตทินนางเปตานางอุปกระปติอิชิตังปฏิตังทุมหังชิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพภูเรนตูสังกปาจันโทปันรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัชจันตตสัพโรโควินาสตุ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 จะตกรถไปสก่อน